Book two. Sam s i p t a thormiti. o t s t a t o r m e t i Tirana Han s 4. Restoranshi me o t r i Restoranshi o t r i ขอมันฝรั่งทอดกับซอสมะเขือเทศหนึ่งที่แอร์ er ิกอารตโปแร์พลรเชูปิและมายองเนสสองที่ตาอร์เจอรมายอนสิตและไส้กรอกกับมัสตาร์ดสามที่ สมชมาริซอส ص ص ي ص ي ิซมดซอิมดกคุณมีผักอะไรบ้างครับรับบสเนอูลิกาคุกาคคุณมีถั่วไหมครับลูบิโอชมารกาลบิโอมารกาคุ คุณมีดอกกระหล่ำไหมครับขวบวิโลวานิกออมบอตฮอากาบวานิกอบโตฮอมอผมชอบทานข้าวโพดหวานกวาสซินตีมิกวิมผมชอบทานแตงกวามิกวาสกิเตอรีมวา ผมชอบทานมะเขือเทศมิกวาร์สโอมิโดรีมิกวาร์สโอมิโดรีคุณชอบทานต้นหอมด้วยใช่ไหมครับราซิกควาร์ราซิกควาร์คุณชอบทานกะหล่ำปีดองด้วยใช่ไหมครับมิชา ว, วิาออมบสตสกควาร์ มารเวคโตสวคุณชอบทานถั่วลินเส้นด้วยใช่ไหมครับโอสปิตสกิควาร์ตอสควคุณชอบทานแครอท ด, ด้วยใช่ไหมครับสตาพิลุสกิควารวรคุณชอบทานบล็อกเกอรี่ด้วยใช่ไหมครับ ปโคลกควาร์โคลิสกควาร์คุณชอบทานพลิกหวานด้วยใช่ไหมครับซิซกัสกควาร์ซิซกัสกควาร์ผมไม่ชอบหัวหอมใหญ่อาร์มควาร์สควอาร์มควาร์สควผมไม่ชอบมะกอก อารมิว่าสซตสลอาร์มิผมไม่ชอบเห็ดอามิซกอารมิวสซก